สำหรับการฝึกสำหรับท่าจิตของบุคคลผู้รับการฝึกตกอยู่ตกในเขตโมหะตามที่กล่าวแล้วก็ต้องใช้แบบปฏิบัติตามนีกลาวมาแล้วเมื่อสักครูนี้จุดประสงค์ของการฝึกคือต้องการให้อารมณ์อย่างถึงพนิพภาณฑ์ เพราะเห็นว่าการปุ้นเปี้ยนอยู่ที่พระจุามนีพอสมควรก็ให้เขาตั้งจิตอธิษฐานเทโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าวาสนาบา ร, รมีถ้าฝึกไปอย่างนี้ในชาตินี้จะมีโอกาสเข้านิพพานได้หรือไม่ก็ตอนนี้ ก็ต้องขอให้พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐและทรงยกพระหัตถ์ถ้าทรงแย้มพระโอษฐหรือว่าทรงยกพระหัตถ์ก็ชุ่มมั่นใจว่าถ้าเขาทำดีนะเราจะไปยืนยันว่าเขาจะดีตามว่าถ้าเขาทำดีจริงๆเขาไปได้เขาทำไม่ดีเขาก็ไปไม่ได้เราไปพูดนำให้ ตอนนี้ก็ขอบารมีขององค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าเขามีโอกาสจะเข้าพระนิพพานได้ในชาตินี้ถ้าวิมานมีอยู่ในพระนิพพานความจริงวิมานในพระนิพพานเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่จิตเขาบุคคลนั้น เริ่มสั่งสมความดีคือมีการให้ทานมีการรักษาสินตั้งใจสดัระธรรมเทศนาจิตลดกิเลสเล็กน้อยแต่ไม่กำลังเขาควิปัสสนาญาณความจริงกำลังเขาวิปัสสนาญาณในบางทีเขาทำไปแล้วเขาไม่รู้หรอกถ้าคนที่ด่าเขาเขาเอาจจะโกรธมาก แต่เขามีบางในการบางครั้งเขาเรียกวระช่างมันเถอะมันอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรด่าแล้วมันก็เลิกนี่อารมณ์เราลดไปได้เล็กน้อยบางทีอะไรที่มันเสียมันหายเราอาจจะเสียใจแต่อรไรกล่ากลับไปเสียใจในการบางครั้งถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา นี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณที่ผู้เข้าถึงเรียกว่าเข้าถึงประเภทที่เรียกว่าไม่รู้ว่าเข้าถึงหรือถ้าจะกล่าวกันไปทีก็เรียกว่าตาบอดครลำช้างเป็นประเภทตาบอดคลำช้างเขาไม่มีความเข้าใจว่าเขาเข้าถึงวิปาาัสสนาญาณ เนี่ยนี้เราก็ต้องให้อภัยเขานี่เราก็เป็นผู้นำขอยพู้จิตคิดว่าเวลานี้สาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปสู่พระนิพพานแล้วให้ตั้งใจตอนนี้ถามเขามีความรู้สึกหรื อ, อยังว่าจิตเข้าถึงพระนิพพานแต่ว่าตอนนี้ละจิตของเขาจะดีขึ้น เขาจะบอกว่าเข้าถึงแล้วหรือบอกว่ายัางไม่ทราบถ้ายังไม่ทราบให้ตัดขันห้าแนะนำให้ฟังแบบช้าๆให้ตัดความห่วงใยในขันห้าตัดความห่วงใยในทรัพย์สินรวมความว่าแนะนำตามที่เคยที่แบบมันมีอยู่แล้วเอาแบบง่ายๆ อันดับแรกมองดูตัวที่สปกปรกไหมมีวจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองแบบนี้ที่ฝึกก็เอาแบบของแปว้วนั่นแะดีที่สุดแต่แบบของคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้เหมือนกันว่าสอนใครแบบไหนอาจจะดีทุกแบบเอามาผสมรสากนกันไปแนะนำเขา พอเขามีความรู้สึกอยู่บางว่าถึงนิพพานแล้วแต่อย่างมัวไอ้คำว่ามัวรู้สว่างน่อย่าสนใจแล้วก็ให้เข้าไปในนิพพานไปไหว้ปพระพุทธเจ้าเขาก็อย่าไปแบบคนซึมๆแต่ว่าบางคนมาถึงนิพพานแล้วก็ใสาสายขึ้นดีขึ้นไม่ใช่สายแจ๋วไอ้คาว่าสายแจ๋วเนี่ยมันไม่มี ทำไมจึงว่าไม่มีเพราะว่าฝึกใหม่ใหม่สายแจ๋วยากแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันเขาสายแจ๋วอย่างลูกสาวหมอรดาลายชดาทิตย์พอจะเข้าไปถึงเธอปรากฏจิตเธอใสเป็นแก้วใสเป็นประกายพอมองดูว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนแล้ว อารมณ์นี้ของเธอเรายังไม่สอบอารมณ์เป็นพระอริยะไปแล้วพอถามปั๊บไม่มีอะไรสะดุดเลยวิย่งโชบอะไรไม่ต้องนำกันยันนี้ทุนเดิมเขามีคำว่าทุนเดิมเนี่ยคือเ็าตั้งอารมณ์เขาไว้ถูกต้องมันก็มีอยู่นี่เราูดกัสสำหรับคนที่มีความฝืด เมื่อเข้าถึงจุดพนิพพานแล้วแล้วก็เข้าไปดูว่าวิมารของเธอเป็นยังไงสีเธอเป็นยังไงบางทีเราเห็นเขาจ้องเขาบอกเขาเนเหลืองก็อหยาคานจงอย่าลืมว่าจงให้กําลังใจว่าถูกต้องที่ว่าถูกก็เพราะว่าจิตของเขาเรายังไม่ใสเท่าเราเขาเห็นสีไหนรับรองเป็นสีนั้น แล้วต่อไปไม่จิตมันใสสะอาดจริงๆก็เห็นถูกต้องเองเรื่องของสีก็ไม่ผิดเพราะว่าสภาพเป็นทิพย์จะเป็นอะไรก็ได้การสแสดงออกของสีสันวรรณจะเป็นไปตามอารมณ์จิตของโลสิทธผู้ฝึกในเมื่อจิตเขายังมัวอยู่จะเห็นใสนะมันไม่ได้ แล้วนิพพานในวินิยมานา น, นิพพานก็ไม่ใช่สีเดียวก็วมีสีใสกับสีทองและสีแก้วผสมทองผสมทองถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าไหมเขาบอกเห็นเหมันพระพุทธ ร, รูปเป็นทองเหลืองอย่างนี้เราก็ควรจะพอใจให้เขาที่ฐานจิติทีหนึ่ง ว่าภาวะของพระพุทธเจ้าในพระนิพพานจริงๆนะมีลักษณะเป็นยังไงเขา อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงสแสดงตามความเป็นจริงแล้วถามเขาเห็นภาพเปลี่ยนไปหรื อ, อยังเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเทวดาแต่โม่โมวก็ช่างมหมวหรือไม่โมวก็ช่างเป็นนวารูปสิทธิ์ผู้รับกันุ จึงมีความรู้สึกตนใเสมัยว่าจุดที่ต้องการก็คือพระนิพพานเรื่องการจะไปเที่ยวที่ไหนนะไม่จำเป็นให้คล่องในพระนิพพานเสียก่อนแล้วก็ผู้รับฝุดนี้ทุกวันทุกเวลาให้จิตจับไว้ที่นิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อครูเขานำมาถึงได้แล้วทุกครั้งที่เริ่มรวมกำลังใจให้จิตผู้มาจอปั๊บจตั้งอยู่ที่นี่ผ่านทันทีแล้วก็เวญยามว่างก็ให้เจริญนาปารุสติคู่คู่กับคำภาวนานามะบะัตะถ้านมามะปัตะนี่ท่านภาวนาจนสบายมีอารมณ์เป็นฌานเวลาออกไปจริงๆมันจะสว่างเหมือนกลางวันไม่มีการมืด เลยใช้อารมณ์อิปัสสนาญาณตัดที่จะเข้าถึงนิพพานได้ควบคู่กันไปเวลาไหนจับลมหายใจชอบภาวนาก็ภาวนาเวลาไหนที่จับลมหายใจเข้าออกชอบวิจารณาก็พิจารณาให้ปล่อยให้ระกลังใจมันไปตามสบายสบายของมัน ในเวลาที่ใจสบายรวบรวมใจจับจุดพุ่งปลุยเข้าสู่ทิพานถ้าเข้านวิมานของตนนวิมานของพระเจ้าดวงเรามันแจ่มใสไหมแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสจะลืมว่ามันอยู่ที่กิเลสว่อหนึ่งเรามีพรหมหานสี่ครบถวนไหมสองมีสิงครบรวนไหม สามมีกังวลรอเปล่าสี่นิวลห้ามันสิงใจรอเปล่าห้าบารมีสิบเพราะเรามีง ร, ามรงครบถ้วนไหมหกอธิบาตสี่มีกำลังครบถ้วนรอเปล่าแล้วก็เจ็ดจิดตเราตตกขั้นห้า้ไเด้ขาดรอเปล่า แปดให้พิจรารณาสัญญาติบการไว้เป็นปกติว่าข้อไหนเรายังตัดไม่ได้ทำใจไว้อย่างนี้อารมณ์จิตจะผ่องใสอยู่เสมออารมณ์ผ่องใสกับไม่ผ่องใสจะถือเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกวันไม่ได้จงถือแต่เพียงว่าถ้าหากว่าเรามาถึงนิพพานได้เราพอใจ อย่าไปถือว่าใสาหรือไม่ใสใสามากหรือใสน้อยไม่สําคัญสําคัญห้าวจิตไม่อย่างว่าที่ผนิพันธ์เป็นอารมณ์แล้วต่อไปอารมณ์มันจะจำใสกันเองทีละน้อยดัะน้อยเพราะจิตไปจับจิตที่ผนิพันธ์เมื่อถึงนิพพานแล้วถ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ขอโทนรัตนาให้เสด็จมาเราจะเห็นเห็นแล้วการเห็นพระพุทธเจ้า จิตจะถูล้างกิเลสไปอย่างความไม่รู้สึกตัวทีละน้อยดันน้อยแล้วต่อไปความแจ่มใสมันก็จะเกิดขึ้นนีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดครูคนระวังแต่ก็ไม่คนรค้านการถามสิทธว่าเวลานี้ลองถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูทีหรือ ว่าเราเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนพระโสดาลิศทาคานาคาหรืออะรหันแต่ก็เคยเจอที่รู้สิทธิ์ตอบผิดแต่ฉันเองฉันก็ไม่ได้ค้านคำว่าผิดก็หมายถึงว่าตอบอารมณ์ในเวลานั้น เวลานั้นเมื่อจิตมันละคันห้าไปแล้วจิตมันถึงจุดนั้นได้แต่ถ้าว่าพอจิตเข้ามาจับคันห้าใหม่มันก็กลับเข้ามาใ ส, สภาพเดิมถ้อเ้าตอบอย่างนั้นแล้วก็บอกให้เขาภูมิใจไว้ได้ว่าเธอย่อมมีหวังพระนิพพานแต่ถ้าว่าเวลาที่จิตมันกลับมาถึงคันห้าพยายามทาใจให้มีอารมณ์เช่นอย่างนั้นนะ อย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วเธอไปไม่ได้อันนี้จะเห็นว่าเวลาฉันสอบเองฉันไม่ได้ค้านใครแล้วก็อย่าลืมว่าฉันรู้ว่าใครตอบผิดจะตอบถูกการตอบเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายถ้าพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้า ถ้าเขาเป็นพระอาริยะจริงๆการตอบจะชาชฉานไม่มีการสัทปุะทานด้วยความมัน่นใจและก็มีอารมณ์ร่าเริงเพราะธรรมปีติของเ ข, งขงาครอบงำนี่เป็นจุดหนึง่งเป็นเครื่องสังเกตวาตถุศีลของเราเนะ่เข้าทึงจงริงหรือไม่จริง แต่บางคนเมื่อเวลาที่เราเข้าไปรู้สึกว่าเธอถอนสมาธิแล้วพอเข้าไปเธอก็เริ่มหลับตาใหม่อันนี้เราก็ทราบเราจะไปดูหน้าเธอทำไมเราก็ดูใจเธอถ้าใจเธอเป็นยังไง ร, ร, รู้ความเป็นภาอริยะอารมใจแจ่าใสมากแต่อาจจะไม่ทั้งดวง มีประกายเป็นขอบขนาดไหนเป็นเครื่องวัดประึงเป็นโซดาสีทาคานาค า, ารหันแล้วาบางเธอจิตของเธอยังโมอยู่เธอก็บอกว่าเวลานี้พระพุทธเจา้ายกมือกันสามนิ้วบางสองนิ้วบางแต่วเวลาที่เราถามจริงๆพระอุานำเราด้วยอำนาจของวิปัสนาญาณ คือการตัดกันห้าเวลานั้นเธอตัดได้จริงๆเมื่อเราถามพระองค์ก็ทรงตอบในขั้นปัจจุบันว่าเวลานั้นจิตทิงโดนั้นจุดนั้นเราก็ต้องสั่งว่าเวลาเลิกแล้วเมื่อจิตกลับมาทิงตัวต้องพยายามฝึกฝนตามคำแนะนำนี้จนจะให้จิตละเอียดเท่านี้ แล้วผนนี้จริงจะปรากฏเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าทำไมเราจรึงนำไปนิพพยนกันไม่แววนน่นแวนนี่ควรจะให้ศึกษาอย่างอื่นยิ่งกว่านี้จะต่ำกว่านี้ครั้งนี้ก็เพราะว่าถ้ารู้สิทธิ์ที่ดีจริงๆถ้ารักตนสงวนตัวรักความดี รู้สิทธิ์ปุ่นนั้นก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์คำว่าเชื่อนี่ครัประวัยย อ, ยอมรับนักถือยอมรับนักถือก็หมายถึงปฏิบัติตามคำสั่งมีกำลังใจเข้มแข็งเอาความดีความชั่วมอที่อยู่ที่อาจารย์ทำให้ เป็นเรื่องของโูกสิทธิ์ที่จะต้องทำกันเองพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าคาตาโรตธาคาตาตธาคตเป็ น, นเพียงผู้บอกดังนั้นน่าว่าเธอมีความหวังดีกับตัวเธอเองในเมื่อเขานำไปถึงจุดนั้นเธอจะต้องพยายามรวบรวมกำลังใจพุ่งไปถึงจุดนั้นอยู่เสมอไมมว่ามันจะเป็นการเดาข้อช่าง คิดว่าจะเดาก็เดาันละพอจิตเธอสว่างสวัยกิเลสบานลงไปเธอจะเห็นว่าอารมณ์ที่เธอนึ ก, กว่าเดาในะความจริงมันไม่ใช่เดามันเป็นของจริงเพราะสิ่งนั้งหลายเหล่านี้เราฝึกกันมาได้แล้วเรารู้ดังนั้นครูจงเตือนลูกศิษย์ไว้ว่าเวลานี้อารมณ์ใจเราถึงที่ดี แต่ว่าจงละมัดระวังเมื่อเวลาที่เธอลปล่อยอารมณ์นี้แล้วเมื่อจิตเกาะกับขันธ์ห้าเธอจงรักษาอารมณ์ไว้ให้เท่านี้แต่ความจริงคนที่สามารถเห็นภาพพนิพภาณ์ได้และอารมณ์ไม่ปล่อยพนิพภาณ์ถึงแม้ว่าชาตินี้จะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า แล้วก็เราก็มั่นใจในพระนิพพานมาถึงว่าจิตเธอเข้าทึงฌานโล ก, กีพอสมควรแล้วมีวิบัตินาญาณผสมอันนี้ถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมเขาก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวดวูมันเขาที่นิพพานได้แต่มันยังแจ่มใสไม่พอถ้าจิตใจของทุกคนรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าเป็นอุปสมานุสติกรรมฐานในอนุสติสิบด้เมื่อรักพนิพานแล้วก็จิต ก, ก็ตนหนึ่งเสียสละตัดโลภะความโลภณัลาคะาตัดความรักในสีสันวัณะหระหว่างเพศตัดความโกรธตัดความหลง ถ้าจิตขนาดใดจิตของเธอตัดได้ดีขนาดนั้นเธอขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปนิพพานจิตใจเธอก็แจ่มใสเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสขณะใ ด, ดถ้าจิตของเธอถูกกิเลสเขาเครอบงำขณะนั้นความผ่องใสของเคยก็ น, น้อยไปมัมัวแต่ก็ช่างถ้าจิตเกาะพระนิพพานในทุกวัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนเมียทำทั้งหลายมีใจไป ห, น, หน้ามีใจรปเสดสุดสนเร็จวยใจเมื่อใจของเธอเกาะพนิพันธ์เป็นอารมณ์ถ้าตายจากคนก็ไปพนิพันธ์เพราะว่าเธอก็เบื่อขันาห้าของ เ, อเธอเอง เพราะคนเวลาจะตายถ้าจิตเป็นโกรธสนย่อมจะเห็นอารมณ์ที่เป็นโกรธสนที่ ต, น, ตนทําตนทําไว้ถ้าจิตใจเกาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เวลาที่ใกล้จะตายภาวะของพระนิพพานก็ปรากฏเพาเธอเห็นอยู่แล้วอย่างนี้ก็ปนิพพานได้เป็นอนว่าขอบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จ้งมั่นใจว่าดสิกของเราที่เราสอบเนี่ยบางทีเขาถือว่าเขาบอกว่าเขาถึงชั้นนั้นชันนี้มันเป็นจิตเฉพาะรมในเวลานั้นแล้ ว, แ ล, วแล้วก็สังเกต ด, ดูก็มไม่อยากเราใช้เจโตบริย า, ยานแต่อย่าใช้เองแท่ใสบารมีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราเห็นพระพุทธเจ้าชัดแล้วเราก็ขอพระพุทธเจ้าให้เราเห็นจิตเขาอุคนคนนั้นมันเป็นของไม่ยากเลยเรื่อกล้วยสุกที่ปอกแล้วเข้าปากมันยากกว่าแต่เ ร, เราก็จะเห็นจิตเขาอบคนนั้นเวลาเขาตอบเราจะรู้เลยว่าตอบเดิมหน่ายเขาอุปาทานแล้วตอบตามเขา แต่เราก็จงอย่าคัานเราไม่คันเราให้กำลังใจถือว่าให้พยายา ม, มาเวลาที่จิตไม่อยู่กับคันห้าให้จิตจงตัดภาระคือกันห้าเสียหมดมีสินให้บริสุทธิ์ถ้าเขาบอกว่าเขาเข้าถึงพระอนาคามีสิงของพระอนาคามีก็คือสินแปด ถ้ามีสินแปดเป็นปกติหมดความรู้สึกในเพศรับรอรงณ์ความโกรธความข้องใจได้นั่นคือพระอนาคามีแต่ดีไม่ดีบางทีเธอนั่งใกล้ๆกันเห็นเขาตอบว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ถ้าไม่ตอบบ้างเือจะอายเพื่อนก็เลยโกหกครู ลักษณะการโกหกครูนี่จับไม่อยากดูจริยาภายนอกคนใดแต่เราจะไปดูเราดูจิตแต่ครูก็มีหน้าที่ให้กําลังใจกับศิษย์บอให้รักษาความดีอันนี้ไว้นี่เป็นอันว่าขอให้ครูทุกคนเวลาที่จะเข้าไปสอบจิตเวลาที่ให้คําแนะนําแล้ว ล้วบอกให้จิตเมียสิตเมียเวลาว่างจากเสียงช่วงเวลาสามสิบนาทีในจุดนี้ครูทุกคนจงขับสกายาทิทิรวบรงกำลังใจไปสมาธิให้หมันแน่นแฟน้นขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จตรสสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วก็ถามลงมาเลยว่าคนไหนเวลานี้กำลังจิตเป็นยังไงถึงขั้นไหนแล้วเราจะเห็นชัดแล้วองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์บอกไว้ว่าอย่างไงว่าใครถึงระดับไหนเราเชื่อพระองค์ลงมาแต่ว่าต้องทำเป็นไม่รู้ ตั้งตัวอย่างพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าในเวลาที่พระสองนั่งประชุมกันคุยกันแต่องค์สมเด็จองค์สมเด็จตะพภะกวันได้ยินแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์เรื่องที่เขาคุยกันนี่องชงสมเด็จไปยืนสีสมเด็จไปจากพระวิหารไปถึงก้ น, นั่งในที่พระจะัดให้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรกับทูลถามว่าภิกขเวดูกรภิสุขงหลายเวลานี้เธอสั่งสนทนากันดยเรื่องอะไรใ น, นความจริงพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วแต่ก็สงถามตามระเบียบนี่เราก็เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าจึงกว่าจะหมดเวลาทึงเวลาสอบถาม เราก็จงรู้อารมณ์จิตของสิทธิ์ของเราเสียหมดว่าคนนี้เนี่ยจิตดีถึงไหนข้างในจิตถ้าแล้วก็มีอะไรมันพอกอยู่มีโมหะหรือว่าโทสะหรือว่าโลภะหรือว่าราคะแต่เห็นตัวไหนพอกอยู่ก็ถามสมเด็จพระบรหัมชว่วจะแก้ไขช่วยเขาขัดให้ตัวนี้ได้ยังไง เนื้อแท้จริงๆกำลังบุญของเขาจริงๆมีอยู่บางคนพอขับนิดเดียวเข้าถึงความเปรนพระอริยเจ้าเลยมันมีจิตมัวเกาะอยู่จุดใดจุดหนึ่งเราก็จะรู้วิธีการมาจากนั่นแล้วก็เวลามาสอบถามสิก็จงขอบารมีพระองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิคือพระพุทธเจ้า ขอว่าถ้อยคําทุกคําที่สอบถามจิตให้เป็นสิทธิเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่เรื่องของเราแต่เวลานั้นใจเราคิดว่าจะถามอย่างไงแต่ว่าเองเอิญปากมันฝืนไปก็โยงอยากอย่าดึงกลับนั่นเป็นเรื่องบา ร, รมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงซักซักนําเอง ยั้งคบันดาครูบายจาย์ทังหลายและลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งหมดจึงพยายามจําถ้อยคําและวิธีไปทีป่ปฏิบัติแบบนี้ไว้ที่ว่ามีหลายรายที่ส่งมาบอกว่ามีรม์เกาะพระนิพพานแต่ความจริงก็เป็นเวลานั้นเป็นลมเกาะพระนิพพานจริงๆรอายแย่เข้าไปสอบเข้าปรากฏว่ากิเลสของเธอหนาทั้งหลายศอก และนั่นมันไปอารมณ์เฉพาะเวลาก็ไม่น่าตำหนิดีไม่ดีบางทีเธอก็จะตอบตามเขาฉะนั้นในฐาระที่เราเป็นครูก็จงอย่าคานปล่อยไปปล่อยไปแล้วเราก็หาวิธีแก้ขไขด้วยการแนะนำให้ใช้สมาธิและวิปัสสนาญาณ ช่วยแก้ไขไปไม่ช้ารมใจเธอก็จะเข้าถึงตามนั้นไอ้คำว่าผิดจงอย่าใช้จะเสียกำลังใจเขาบอกคนมาฝึกใหม่แต่ว่าถ้าผิดจริงแทนที่เราจะรับตรงรับว่าใชา่แล้วก็ไม่พะมันก็ไม่ถูกบอกว่าจงใช้คำพิจารณาแบบนี้นะตัด ขันห้าเสียแตดความหงใหญจจัดอะไรต่อแล้วก็ว่าไปตามแบบฉบับและอารมณ์นี้จะเข้าถึงเธอแน่นอนเธอจะทรงอารมณ์นี้ได้เพราะว่าอย่างนั้นนะแทนที่จะบอกผิดใช้ไม่ได้การเห็นที่บรรดาอง์นั่นการเห็นที่บรรดาองน์นี้อะไรนี่ไม่สําคัญอย่าไปยุ่งเลยตัดจุดตรงไปถ้าต่อไปถ้าอารมณ์ใจเขาถึงผลิพานได้แน่นอน เวลานั้นไม่ต่างห่วงเรื่องการเที่ยวสวรรค์และพรหมโลกตอนรกมันเป็นเรื่องเล็กๆจุดใหญ่สำคัญอยู่ที่พระนิพพานแห่งเดียวเป็นอันว่าแต่ละคืนที่ส่งเขามาสอบก็มีดีจริงๆทุกคืนแต่บางทีก็มีอารมณ์โมโมเฝืออยู่ของดีอยู่ข้างในแต่ของไม่ทำให้ไม่ใสอยู่ข้างนอก และบางคนมีอารมณ์ดีจริงๆแต่กำลังใจอ่อนแอเกินไปเป็นเหตุให้ไม่มีผลตามสมควรที่ตนจะพึงได้แต่เราก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นการสงเคราะห์สิ่งกันละกันถการช่วยเหลือเราจะนึกว่าเขามาวันสงวันแล้วมันจะได้แต่บางคนเขาได้จริงๆนะบางคนเขาได้จริงๆ แต่บางคนเวลานั้นได้แต่ว่ามันมีกิเลสมันแอบอยู่ข้างๆเวลาเราถอยมาเลิกรวมากิเลสมันก็ขับบางใหม่บางคืนไปนิพพานได้ต่อมาไปไม่ไหวทางนี้เพราะอะไรเพราะเขาขาดความเข้มแข็ง เ, เขากำลังใจเราช่วยเขาไม่ได้หรอกเรื่องจะไปได้ไม่ได้ส่งไม่ส่งเป็นเรื่องของเขาอาดบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลาย แล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลานี้มันเป็นเวลาสิบสองนาิกาเกัี่สิบเจ็ดนาทีฉะนั้นขอทุกท่านเข้าไปรวมตัวกันที่ศาลานวลาดได้แล้วว่าถึงเวลาฝึกพูดเลยเวลาไปสองนาที